พุทโธเป็นที่พึ่งของจิตและอีกในหนึ่งขอย้ำเตือนว่าคนเราเกิดมาแต่ละครั้งแต่ละทีนั้นเป็นของยากกว่าจะได้ชีวิตเป็นคนและการได้พบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากลำบากดังนั้นทุกๆุกท่านควรจะหาที่พึ่งทางใจให้ได้คนละอย่าง จะเอาอะไรก็ได้แต่อัตมาขอเสนอแนะว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกการที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนั้นเราอาจจะนึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็มานึกเอาพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด ช่วงไหนพอที่จะนึกพุทธโธได้ก็นึกพุทธโธพุทธโธพุทธโธเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมซึ่งอยู่ในชนบทนั้นมีการศึกษาน้อยมีความเข้าใจน้อยในเรื่องของธรรมะอาตมาจึงขอเสนอแนะให้ยึดเอาหลักง่ายๆให้เอาพุทธโธเป็นสาระที่พึง่งท่านจะทําอะไรอยู่ก็ตามให้ท่านนึกพุท พุทโธพุทโธพุทโธเป็นกิจประจำนึกอยู่อย่างนั้นแหละในเมื่อนึกพุทโธแล้วถึงแม้ใจไม่สงบมันก็ยังเกิดผลพลอยได้คือมีพุทโธเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นการมาวาจรกุศลและอีกในหนึ่งถ้าหากว่าท่านนึกพุทโธพุทโธพุทโธติดต่อกันหนึ่งนาที ช่วงนั้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นถ้าท่านเพิ่มขึ้นเป็นสองนาทีสนาที 20-30 ถึงนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วพุทโธติดต่อกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่างเว้นจิตของท่านก็ไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาปสร้างกรรมในทางอื่นล้วนแต่สร้างบุญกุศลคือนึกอยู่แต่พุทโธเท่านั้น กว่าท่านสามารถนึกพุโทโธได้ตลอดชีวิตของท่านจิตของท่านจะไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาปสร้างกรรมทั้งอื่นจะสร้างแต่บุญแต่กุศลคือพุโทโธเนี่ยคืออุบายที่จะหาที่พึ่งในทางจิตให้พากันนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเข้าไว้ให้จิตกับพุโทโธติดกันแนบสนิทกันอย่างแนบแน่นอย่างบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะนึก แต่เผลอๆไปทำอะไรพลาดเข้าแล้วจิตนึกพุทโธโดยอัตโนมัตินั่นแหละยิ่งดีที่ขอแนะนำอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเคยได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนอกทั้งหลายเวลาจนใกล้จะตายลูกหลานให้คําแนะนำให้คําตักเตือนหรือให้สติเตือนสติว่ายายนึกถึงพุทโธนะ ด้วยทุกเขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมันครอบงำแกก็ไขว้คว้าหาหยิบโน่นหยิบนี่ไปหยิบได้วัตถุอันหนึ่งก็ยกชู่วขึ้นและถามหลานๆว่าเนี่ยเหรอพุทโธนี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นได้เห็นตัวอย่างและประสบการณ์มาแล้วจึงได้นำมาเป็นคติเตือนใจสาหรับบรรดาท่านทั้งหลาย อันนี้คืออุบายที่จะเข้าถึงพุโทโธ